เราต้องตั้งใจใสทําตัวงเให้สงบ่ทุกคนตั้ใจสนะทาตัวของเราให้สงบแลาก็ลเอยดใส่เราสมารถเราตั้งใรใส่แต่ไม่รู้ว่าความสงบอยู่ที่ไหนเราไเลย เมื่อป no so ูดานนี่ยานนี้ในปัตตเองหลักมันแตกต่างและทำความสมบกรนั่นก็ยังสมนูรณ์ม่ดเพราะว่าเราพูดมีการสมบูสม์ุป็นมาไม่ได้ดังนั้นโดยผมก็โดยรขาจะกำงานพุทแต่ไม่เข้าใจว่าพุทธาสนาจริงๆสอนอย่างไรมีความหมายอยู่ที่ตรงไหน เป็นการเข้าใจกันได้น้อยที่ว่าไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนานอย่างแท้จริงดนั้นนี่ก็เพียงหนรตหนิาพียงารทำบุญให้ทาหลักฐานจริงยึดืารีตประมาทปรมฐานแย่เพราเรหลัาเราได้ทำถูกต้องแล้วเข้าใจกันมดังนั้นมันเป็นเรื่องระเทือนที่ตำหมิต่อนนี ในสมัยครั้งพระมุเจ้าของเราเนี่เกิดขึ้นมาคนที่เคยได้ยิสารนเรียงในประวัคงจะรู้ ม, มากขวน้อยเมื่อเจ้าชายที่กขาักขึ้นมาเิดขึ้นมาก็มีการใช้ถ า, กาน ก, กันเมื่อทาลูนเลี่ยงทางการศึได้ยินดังนั้นถ้มีอเมื่อเป็นพระุขึ้นมาก็มีครอบควัว เนถ้อพนันก็เรียกวั น, นีนน้เป็นพุทประการรมเป็นพิธีการธรรมธรรมขณะนั้นมาทหาติดเนื้อพนันว่ามีตั ว, าา ม, ว ม, มีดิันธุ์ลาสุนีที่นนี้ดิพันธุ์เนี่ยเราไปด้อ่นี่เราไปดูแล้วก็ปรากฏเนี้อพนาาัน่าไปสุกทางกับองอาจารย์อาจารย์คนแรกเรียกว่าอาล อาจารย์้นี้สอนสามสาธิได้สมรรถเด็กสมาธิที่นั้นเราพูดประมาณยุคการไปยอารมณ์การฝันเวลาเจ็บอันนั้นคนงานได้เป็นศาสนาเป็นเพียงศาสนาเนั้นเรื่องศาสนาอาวศาสนาอาเซียนโลกแม้ควรพูดควรอย่าล้ก็ยังมีอยู่นิ่งเดิมทาสมารถเด็กจะแล้วก็ยังมีสมโภ รวมโลกคนมติได้อยู่จากนั้นมาท่านก็ไปศึกษากับอาจารย์คนที่สองที่ว่าพุทค า, าดาบุตรคนนี้เป็นคนที่มีสมมูลได้ศึกษาเราเียนมากกว่าคนที่ที่ในคนที่สองเนี่ยศึกษากับท่านอาจารย์คนนี้ได้ชนะบัตแปดชนะบัตแปดนั้นเราเรียกกันว่าลูกชายท อาวุธศาสนาจริงอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นผูธด่าจ่าเป็นเพียงศาสนาสอนให้คนมากทัวกันงโลกเท่านั้นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเป็นคนไทยหรือศาสนาพุทธแต่เรายังไม่เข้าใจหรือไ่ศึกษาเรื่องพุทธศาสานาจริงๆวันนี้จะได้งานเรื่องพุทธศาสม า, ามาเล่าตุกติการาะว่ามีงานเยอะมาก เมื่อเป็นชิ้นี้พระพุทธเจ้าของเราศึกษานานแล้วสองอาจารย์และสมาบัติแปดแล้วงานไม่เป็นทาง บ, บัตทุกข์ร้อนไม่จะเป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นก็มาทําพิธีทาทุกขก์กิริยาอีกบวช อ, อกขาวไม่กินภาว อ, อกน้ำไม่กินน้ําตั้งลมหายใจไม่หายใจนี่ก็ไม่เป็นและล า, ายทางในกรณีนี้พอ เพราะว่าเขา้าใจว่ากิเลสเหล่านั้นมันต้องอยู่กับสิ่งนี้ใหเขาเห้าใจยังไงนี่ถ้านก็ได้ทําทุกข์กิริยาอย่างนั้นแต่แทบจะลดลงหายจัดอันนี้ก็ยังไม่เป็นทางสัดสุลุไม่เป็นทางดัดทุกยังไม่ใช่เป็นพุทธศ า, าสนาโยาามฟังไปให้ดีนะถ้าฟังดีก็จะได้ยินจดจงได้ถ้าฟังไม่ดีก็ไม่ได้ยินจดจำไม่ได้ จากนั้นมาท่านมาทําอยู่ที่นนั้นเพื่อปัญจ ว, วัคคีตังห้าเป็นผู้ให้ขวอมโยมอุปถัมภ์บางครั้บางคาวก็เห็นพระปัญจวัคคีตังห้าในธรรมบางครั้บางคาวก็ได้อยู่ในเสียงที่เขาปุบปุบกันความพอใจและกความไม่พอใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมพราะฉะนั้นความโลภความโลภชน โ, โง่มาไม่ได้อยู่ที่เนื้อที่ตัวมนันไม่มีที่ไหนเลย เมื่อท่านพิจารณาแล้วความกรมโลกความหลงมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันคงจะอยู่ที่ใจท่นพิจารณาก็เลยละเลิกทายโกวนเพียนที่ทำมาแล้วนะก็มาขันมาถามพ่อมาต้นนอเดินไปคนเดียวพวกปัญจลกีปัญหาก็เห็นว่าท่านทายโกลนเพียงเลิกละโกวนเพียนแล้วคงจะไม่สําเร็จเป็นพระองค์จะมีกิเลสมันเดินเข้าใจอย่าง พระองค์ไปคนเดียวพวกปัญจลกีทั้งห้าก็หนีไม่ให้ผมร่วมมือเลยเมื่อท่านเดินไปคนเดียวนี่ยเขาไปได้กินข้าวนางสุชดาที่ามาวงสวงเทวดาเนี่ยการบวงสวงกูซานเทวดาก็มีอยู่นะอันนั้นก็มีดีเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ได้กินข้าวนางสุชดานี่แหละแล้วก็มีลูกเนื้อหนาสมบู์ขึ้นมา เมื่อตอนกิ้านาบุชดาในปรากฏในตาราว่าเขาขันนาบุษดาที่บรรจุอาหารหรือบริขารนั่นหมามาถวายพระพุทธเจ้าสมัยนั้นนั่น ไ, ได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อ เ, เอาไปให้ท่านท่านคอเลยสั่งอาหารนั่หมดแล้วท่านคอยจับขันนั่นไปลีนในน้ําไปอธิษฐานในน้ํำว่ะ ถ้าหากข้าพระเจ้าจะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นให้ขันไปนี่ทวนกระแสของน้ำถ้าหากจะไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าให้ขันใบนี้ล่องลอยไปตามกระแสของน้ำนอวานถามยงไปพอวานขันลงไปขันก็ทวนกระแสของน้าขึ้นไปไปจมที่หัวกะละแมในตานาของผุ้ไดนอันนี้เนี่ยเราไม่เข้าใจที่ตรงนี้แหละอันนี้นเนี่ยต้องต้องพูดกันที่ตรง น, นี้ให้มาก เมื่อคําว่าขันเนี่ยเราเข้าใจว่าขันหมายถึงสิ่งที่เราทำเราเข้าใจว่าขันห้าคือขันห้าตาหูจมูกเลี้ยกายและใจมันคิดขึ้นมาอะไรแล้วเราจะไม่ทําไปตามใจชอบของกิเลสเอาวันนี้จะพูดกันเรื่องกิเลสให้ฟังเพราะฉะนั้นโยมในขณะนี้กําลังนงั้นฟังอัตมาในขณะนี้แหละคนใดตั้งใจฟัง น, น, นีจะได้ยินทัดดี คงจะไม่มีพรมโกรธพรมโลรคพรมหลงไม่มีจริงๆในขณะ น, นี้แต่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าใจขณะนี้แหละเราไปทําบุญก็เอาบุญเก็เลยไม่ได้มาศึกษาที่ใจของลราพระพุทธเจ้าท้องเราก็มาทำธุระทางจิตตัวนี้วางขันยองพอดีวนตะแสะของน้ำไปทั้งหมดกับคืนน้ำน้ำหยู่ต้นโพ คำว่าต้นโพนี่เราก็ไม่เข้าใจเข้าจะว่าต้นโพเป็นต้นเป็นนามจริงๆต้นโพหมายถึงตัวของเหล่านี้โยมเคยได้ยินไหมที่ว่าคนหนุ่มยิงสาวเมื่อแก่งงานก็มีมูลเอาคนเติมเอาคนเข้าคนแก่หรือมีมูลพักที่สุโขทงไปทําเป็นพิธีเป็นปริศนามงินคนคนเข้าคนแก่ก็ไปเป็นต้นโพโต้เพิ่ให้ลูกให้หลานอะไรแค่พักไปสรวจปริศนาเงินคลให้เป็นพายมงคนแก่ด้วกัอันนี้เราไม่เข้าใจ คนเทาคนแก่นี่ยควรที่จะทําเป็นตัวอย่างของลูกหลานและลูกหลานจะได้กระชับอดีตมาต้นโงหมายถึงคนทุกคนเป็นต้นโง่เมื่อถ้ามาพิจารณาถึงจิตใจจิตใจจริงจริงตัวชีวิตจริงๆริงเมันไม่ได้มีสมโภชควรมโลภสมองไม่ได้มีจริงๆอาตมารับรองได้ร้อตัวอร์เซ็นเพราะวโควาลกสมองไม่ได้มีในจิตใจคน คำคนเนี่ยเราไม่เข้าใจคนนี้ะหรอกคนมีสองตาสองเหสองหาสองแอกอันนี้คนหมายถึงมีทุกสิ่งท<อ>ุกอย่างเสนะมีความโสดคนความไม่โสดคนความดีใจคนความไม่ีใจคนไม่ดีใจคนมีมีดมีดีต่คไม่มีมีดมีดี ใครผู้มีกุศลเราศทาหักพุทธาสนาางไรไ่ผิดเพี้ยงี่าจะไปเลยไปเจริญธรรมะในป่าในดงในปูได้เข้าป่าจะทำบุงให้ทานมากมายเข้าป่าที่เราไม่ให้ดีเลยเพราะฉะนั้นบุญไม่หมายถึงว่ามีพุกแม้พนัาให้เรามีพุกนะบร้เราอยู่นโลกิดแ้านที่แท้มให้ที่าไม่มีทุก ในขณะนันเ้เรามีสวรรค์และเกิดขึ้นภาในจิตใจเที่ยงตะนาวพูดธวันนี้บางโสมอาจากสงสิลปะทำลาทำยุ่งยากในเนี้ยนะตายเพร้นต้องไปเจอสวรรค์นะเอาไว้ก่อมันเ็เรื่องที่มันไม่กเพราะวรรให้ไปเห็นมาสวรรแต่ก็อารมณ์ดีคือตาเห็นก็ไม่ดูด ว, วงายหูางเสียงไมดูดวาย จมูกได้กินหรือในรถกลายถูดสัมผัสจิตใจไม่คิดเมื่อย็นดีงาอันนี้เขาเรียกงนสวรรค์คืออารมณ์เดขึ้นใจิตใจวันนี้เมื่อตรงกันข้ามการเห็นลูกพอใจด้พอใจรูกฟเสียงมูกได้กินหรือนรกลายถูดสัมผัสจิตใจไม่คิดเกิดพอใจได้ในพอใจอันนี้มันเป็นสิงทุกข์ด้วยว่าเงินมาลดสุดที้ไหนนจิตใจของเพราะะน้าจะไปแก้ปัญหาเรื่องสวรรค์งนลก เมื่อตายแล้วเป็นไปไหมฮะเราต้องแก้ในขณะนี้ทางานเรามาดชีวิตจตตรงนี้เมื่อเรามาทันให้เห็นแก้งในชีวิตจิตใจของเราจริงๆเลยวเมื่อตายเห็นรูปหูตาเสียงจมูกได้จลิ่นลิ้นรถตายถูกทำลายจิตใจยึดคิดเราต้องรูวเข้าทรนเหตุการณ์นี้เรียกว่าวิชายึดปัญญาเห็นแก้ ใ้จิตใจของเราม่คิดเราไม่เห็นและไม่เข้าใจถปัิาสตรจิตใจแล้วร่าเป็นคนประมาทอว่ามีคนหลงผิดแล้วคำว่าคนหลงันไม่ได้หมายถึงหลงาหมายถึงหลงจิตใจของเราถ้าทุกคนต้องมีจิตใจแต่ทาไมเราไม่ศึกษาจิตใจของเราเราไปศึกษาเรืคนอื่นมก็เลยเป็นไม่ได้ศึกษาในหลักคุณธรรจริง วันนี้ก็เลยมาพูดกันเรื่องศาสหาวันนี้ที่มาเบื่อมาเจริญหรือมาทำให้ศาสนาพุทธเดินขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องของคนเราคนวันนี้อยากจะขอร้องมีแม่งงานมีทักหน่อย่หทุกคนมีศาสนาของตนให้ทุกคนเข้าถึงศาสนาของตนให้จริงๆใทุกคนมีพระศาสนาของตน และให้ทุกคนเข้าถึงพระศาสนาของตนอย่างจริงจเมื่อทุกคนเข้าถึงศาสนะของตนทุกคนรู้พระศาสนาของตนเมื่อไหร่ไม่ต้องหรือวพราทุกคนราานคนู้ปักศาสนาจริงจังที่เราเหยียบร้อนในศาสนานี้เพราะเราไม่รู้ว่าศาสนาคนืออะไรเราไปเข้าใจว่าต้องมีโบสถ์มีเรือนน้ีกุป็น เด็มีทั้ลูกเป็นตัวสาธาะอันนันเป็นเรื่องสนุกตัวสาธารณะจริงๆก็คือตัวสมทุกคนเนี่ยหนถายจะเป็นคนสร้าหนาาใดก็ตามตัวสาธาระจริงๆคือตัวคนทุกคนเนี่ยตัณหเขาคิดว่ากสาานะแปลวําคสอนของท่านครูคนที่ลูกสอนก็ต้องสอนให้หุ่นลราตาก็ต้องมองดูหุ่ต้องจับ เมื elephant, ่อการเห็นหูไดบยินมันจะผ่านเข้าไในสมองของเราัจะเข้าไปถึงจิตใจแทรกซึมเข้าไปในจิตใจเราจะได้ดูได้เห็นความสงบในจิตใจของเราจริงๆทำนมต้องเหีือตัวุู้กระนำจริงๆบ้างนั่งในปัญญาผู้บ้าคนใดทางานศาสนาคนนั้นเป็นบาปตายจะไปตกนรกตายจะไปเป็นตะบเลือดาดตายจะไปเป็นเตลตายจะเป็นอสุรกา เพราะทงานศาสรงานทำาานหมายถึงการฆ่าคนหรือตคนบาคนโหกพวกเท็จนั่เป็นการทำาาส่ตัวขนเรสมเขามีสมุบเัาบรยะบเีมาพูดว่คนไม่เคยได้ยินเรงบรอย่ามาย่เ ต้นไม่นใจในหรจักรมาเข้าไปในราชบานเห็นพระสงฆ์วสงฆ์อนสมุจะมวน้เป็นืองสมมุติเรืองพรรงๆนดแลุ่ตคนไม่หยุดเลยอาตมาจึงกล้าานัอทุกคนศึกษา่างมาที่สุดไศาอิแเละาให้มาหีางเวายที่สุดเนี่ยึงวันกบา จะเนียนคืออย่างสุดต้อนเทุกท่ากสมารถจับาติขึ้นมาในจใจขเราทุกคนเห็นได้ไม่ได้เข้าใจได้นะคะเข้าถึงจับทางได้นะคะคำสอนของพระเจ้าไม่ได้หายไปด้ไหนเลยยืดกับคนทุกคนดอนี้เราให้ศึกษาที่ตรงนี้มาไปศึกษาอยาถีไปศึกษาอย่างภาวนาไปศึกษาเรื่อะไรไม่รู้แม่ศึกษาอะไรที่ไติดไปของเราจริงเราไม่เห็นที่ไม่ติดของเรา คนทุกคนมันม <c ười> so well, ีชีวิตมีจิตมีใจมันมีรูปมันมีมามันมีทายมีใจเราต้องไปฉันแต่นี้คนทุกิดขึ้นพอใจแม่แม่พอใจก็หาหักคนนั้นคนนี้มาทาให้เรามันไม่เข้าใจใครจะมาทาให้เราไคนพอใจเกิดขึ้นว่าเขามาทาให้เราไใช่ารเราจริงเราหลงชีวิตของเราสมงาน ถ้ว่าเพลนเนี่หมายถึงมีทุก่ทุกบ่างตาก้าหรือในอะไรต่างที่ผสมกันมาพอดีละลายาไปไปจับเขาไปจับเอาหูพิดมันก็ปัดเราถ้าไปจับเอางดมันก็ปัแรงถ้าไปจับเอาเมลวายมีัวเล็กๆมันก็ปัดแรงถ้าไปจับเอายังเสือเรื่องหูชิดหวานอะไรแบนปัดเราไปถึงเจ็บถึงกษาอนี้เขบอกคน มันุษยหมายถึงเขาดูก็ไปตรวจหาอะไรควจากไรไม่ควจากเขาจะไปจัดอนชีวิตของเขาจริงๆเมื่อกัดในชีวิตของาจริงๆก็ไม่มีความทุกเกิดขึ้นในเวลามนุษย์ตนี้ถ้าอนุญาบุคคลอารีตโดยผ้าหยุดแย่โดยต้นใจเขาจะจัดเอาไม่ต้องเลือกใชมเพราะเขาศึกษามาดีในชีวิตของเขาจริงๆ มันนั of of ่รวมทุกสิงม่ได้ทุกคนศึกษาหลักพระคาญพนาและรวมเดือดร้อนจากหายไปเองรวมสงบจากติวขึ้นมาเองเพราะรวมสงบนี้นี่นะเราไม่เข้าใจควมสงบนี้เองถ้าไปทำกรรมฐานกับตัวตรงนั้นให้มันสงบอย่างนั้นอย่างนั้นที่พนาอันนี้ะคนที่ไม่สงบคือใครทุกคนเป็นๆนะคนไม่สงบคือคนทุกคนเ ้ากสงบกันไปแต่จริทีแล้วคือไม่พ <ations> ูดไม่คุยเนั่ยส้บเราต้องงมาที่ตรงนี้มีหางเรื่อนอย่างที่พวกเราเดินทางไปด้วยกังหรือสมมติมาสังเกตพระธรรมคู่พิเศษกันติดใจขึ้นจนละเทียนสนละเล่นติดใจขึ้นมากร้อมาเป็นแล้ก็จัดเทียนขึ้นดีไสตอนนี้จัเทียนขึ้นดีใสก็ร้อนวัวหวานใช่ไโอ้ร้อนเกินไปร้อนจัดร้อนจัดไฟมันร้อนจัดไฟมันร้อนจัดทุกตนี้ แม่มีบุคคลหนึ่งที่มตลาดเถอะช่วยกันดักไฟในมือเสี้ยช่วยกันช่วยกันดับไฟในมือเที้ยเราเลยไม่สนใจดับไฟที่มือเราแล้วก็ไปเอะอะวไว้าจะมันร้อนมันร้อนควมร้อนอยู่ที่เราจับไฟเราช่วยกันดักไฟในมือเราแล้วไฟมันดักลงไปแล้วผมร้อนก็หายไปเลยดังนั้นความสงบไม่ต้องไปขอร้องจากผีเทวดาที่ไหนนะ เมื่อเราทุกคนศึกษาตัวชีวิตจิตใจของเราจริงๆแล้วความสงบคือความไม่คิดไม่คุยความสงบคือความไม่มีโกรธไม่มีโลคไม่มีหลงความสงบคือความไม่เหยียดร้อนความสงบคือความไม่มีอะไรทั้งนั้นอันนี้แหละครัพระพุทธเจ้าท่านสอนที่ตรงนี้ดังนั้นที่อาตมาได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเสือนจิตสติจใจวันนี้เรียกว่าเรามาทําการเบวชนาคเป็นการต่ออายุพุทธศาสนา ขอให้ทุกคนจดจำนาำเอาไว้ต้องศึกษาชี้ธีริกิจใจทของเราให้เราเป็นพระขึ้นมาได้จริงๆผู้หญิงก็เป็นพระได้ผู้ชายก็เป็นพระได้จะเป็นคนไทยคนจีนเป็นพระได้ทั้งนั้นพระแปลว่าประเสริฐคนประเสริฐนั่คือคนไม่มีความโสดไม่มีความโลภไม่มีความรู้อย่างที่ญาติโยนมนั้นอยู่ในขณะนี้เราเป็นพระได้จริงๆบัดนี้พระที่มันตรงกันข้ามโคนหัวเมุ่งผ้าเหลือง มีคนมาพูดแต่เอกอะโวยวายขึ้นนัสีเขาเรียกสีปลอมแปลงมาในโพผ้าเหลืองเพราะว่าผ้าเหลืองปเป็เครื่องมืออารามหาจินอย่างนาให้แล้วว่าอีกทีโยมไม่รู้จักพระเห็นสีเดินเหลืองไปฝาผู้ขั้นพรเอาให้ถวายไปเลยแล้วก็เอาให้แล้วก็ดึงาผุยกมืออีกขัานแล้วโยมเห็นแม่พระนที่ตรงไหน อ, อันนี้ก็ขอฝากโยมไว้ ให้ยอมศึกษาหลักพุทธศาสนะให้ถูกต้องจริงๆให้ยอมศึกษาหลักพุทธศาสนาให้ถูกต้องหละวางเป็นฐานก่อนห้าเลี้ยงหมายเป็นบุคคลที่จะไปทางานในพุทธาสนาหลวงพ่อจะให้หลวอ e n g Mm-hmm. Mm -hmm. อิจิตุสิอาจึราสาลาออิจิตุสิอาจางทำบาราสิหัวอกน้อยมหาออิจิตุสหัวตามอิจิตุสิอาจึงหอนน้ยสิหลายที่ที่อิจิตุสที่เขาทำด้อาเมตุสินี่คือการอิจฉาองอิทธิ์เหนือธรรมะ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 มันไม่ต้องพักผ่อนมันไม่ต้องพักผ่อนแต่ไม่ต้องรีบกินเองนั่นคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนอนหลับสบายนอนหลับสบายนอนหลับสบาย มีแต่พิษเล็น่อยพอพิษไฟก็จิษนนิค่ารถไฟพิษทางเขาทรถไฟเขาจะขาดไปสองปีแต่พิษที่ทางรถไฟก็จาดปรถไฟก็จไงปีแตรถไ เื่มันา่ทีมน้ําลที่ตดทีา้อนในอรเันท้เัอกอีกอีกทีอออีกทีอีกททีกอีกอกีกีทกอทกอททีอ เด็กก็ไม่ดุเด็กก็ไ n ่ดุดุกันแล้วเด็กก็เล็กแล้วดุก็ไม่ดุดุก็ไม่ดุดุก็ไม่ดุดุก็ม่ดุดุก็ไม่ดุดุก็ไม่ดุดุก็ไม่ดุดุก็ไม่ด่ดุดุก็ไม่ดุดุก็ไม่ดุดุก็ไม่ดุดุก็ไม่ดุดุก็่่ด็ การคำนวณเป็นสองเท่ง่ายๆว่าปอจสอิเียวรัเมนะัียวรรานัวมานเดียรานเรมานะปัจจัยเรรมดานจเดียรนะปัเนเดียธรรมานะัีนเดียวคดนัเดียวระเนมนันเดียวนธา บัณฑูุคนธราเขานาเสพันคนพระพเจ้า่ม่ไปด้วยคะหาปาจุลกลวงสืบเชียนของผู้ที่เป็นรบุตันฑฆบถ้าบัณบุตคนเข้าใจจริงจรแล้วเขาว่ามันไม่ผิดก็มั่อเรื่องสมุทติผู้ให้สัระนเร่สมุทติจะต้องอาศัยสมุทตินี้มันมีอยู่ในโลกยาถึงดถิบสรยิบามารราอนกลกนี้ด้ใจพระพุทเจ้าประธานไม่มีพระเจ้าประธานมันมีอยู่ไห มีคนมายอะเลาะกนมาหลายานาารทธของเราเป็นทนน่าพยาให้ to ักษาร้ารักษาระองนี้ได้เปอยารมื่อพระพุทธเจา้ดราเป็นารยาท โกรธทาะทัดใจมัใช่ไหมคะแม่พี่ว่าทงหักนี่สุดคืออาุก็หน้าอายุก็ได้สิยิ่งมีอา้วทำเงาเป็นไปเพื่อคนเดียวเป็นเองแม้ดูเด่นเป็นอื่นนั้นเขาจะว่าแม่เป็นสิ่งนีเป็นทำนี้เป็นนั้นรำเงาใดเป็นไปเพ่อคนไม่ดูเด่นเป็นเองแม้ดูเด่นเป็นเป็ทำเป็นนี้นั้นนั่นนี่คนที่เนไม่รู้จักทำเป็นเองและแต่ก็ยึดต คนยุคุมัยกุูกน้นคือจากคนเองคือสรุปคนเองเมื่อสรุปคนเองจะเป็นการลุปคนโลกทีเดียวอันนี้เองม่อสรุปคเองจะเหว่าเราเป็นสรุปคนโลกนะจากสรุปจะตายใจอาดในสรุคนนั้นนะบางทีคนเห็นการทุกข์ูว่าเขายุคยุ่มมากเตะใจมันใหญ่ากด้วยนปย่งนี้ถูกต้องอันนี้เรียกว่าขาดขาดหายถ้าเปลี่ยนข้าคนยุกคนนี้าเปลนขไม่ีหนักจะทำรเมื่อเขาขานย ไม่พอใจครับไม่ถับตัวตลาดทีตกใจคัน5ต่อเมื่อนาไม่ถ like <bi> ับเมื่อับตัวขานที่นายไม่ถูกอาหัรไม่โดนตเทียนนะจับม่ได้ไม่ใช่แบบไปจับก้องผู้ต้องบัตรนาารที่เต็อทางสุาตงรทีีนี่เาอย่านั้นมาจับเาัปติอะไรย่างนี้จับมางาดูดึงอำนาจจุดไ่ถูกาจมาเห็นไม่ถูกแบบต่อเนื่องแ เดี a ยจะไปับแต่ต้องดวนามิบานะัตัวเลยาว่าเมื่อคืนนีเราจัต้องงทนี้ตอไปนี้เราจับไมห็ต้องคุยอีงนึเนาราหััตัวเราถ้าที่อันี้ก็เหมือนกันาต้องมงนงเไ่ตวไปนะ้เราไม่รู้วาตัดตัวกันแล้วัดติดติดไม่ติดเลยทางกองทจอมาาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแล้ว อันนี้กำหนดทั้งถูกและทำให้ถูกเอเข้ามาที่นได้มีปัหาอะไรยังยัาท่ไใร ผมไม่ให้ฟังนะคือคนทุกคนเกิดมามีสติอูแล้วแต่เราไม่เคยรู้ว่าสตินั่นคืออะไรเราไม่เครู้เลยคือเราทำไปตามอารมณ์เอาหูถามถามอย่างนี้ดูปฏิาดูปฏิภาณเนี้ยดูเข้าใจไหมนี่ยนึกดูทุกครันะหนักดู่บบความจริงมีอยู่แล้วเราไม่สนใจที่เราไม่รูนั่นและเราเราคิดอย่นะ่ย อันนั้นคือเราไม่หนุนใจับบนี้ถ้าคิดมันเยอะ้าเราไม่หนุนใจเรื่องทิดใจก็ไม่คิแบบเรื่องคดใจเหมือนานเมาเ่เรื่องคิดใจอยู่นะแต่เราไม่หนนใจเรื่องคิดใจมัาไปหนนใจว่าในใจในหัวใจในใจอันนี้เป็นปัจมาใหู้้วันสมุทรทุกคนน่ะรูคนเห็นแข็งนะ่านแข็งเคยเห็นไหมเคยเห็นเพราะนําแข็งหามวิทยาศาสตรจะเป็นลูกค้อนใหญ่ มัเป็นน่องแข้จริงดึเอามาสาดแหนะปาลงไว้ลงพัดแหน่งน่อแข้งจะเป็นขอะได้ไหนาลาเป็นหน้าเหมือนบน่ะอันนี้ตรงนั้นเราจะไปศึกษามน็นขอ่เราศึกษาที่สูงสิ้นตนนนไปศึกษาเรื่อง้นเรื่อสมาธิเรื่องปัญญาเร่องอะไกอันนั้นไมจริงมันเป็นข้อแขนเรามาศึกษาที่ควมไม่โกรีันจริงิอันนี้ทุกคนมันยอยู่ในหลักศึกษาแลงส เรื่องโคตราคนไม่ได้ยิแล้วม่นมมมดมนดั้นกะ็เาไทีู่ดถงมากดยเฉพนะเนี่นนยนะรมากนะครับโคตรมากอะไรที่เราพูนะครับนีไม่ได้ั้นาคนทัวประเทศเราต้องพยายามแตการกับพทืที่ของเราเราพยายาทให้เข้มแข็งหนูกับแมวสมมตินนะบ้านเรามีหนูเอาแมมาด้นะ่หมเมื่อดูหนูออกมาแมยมันจันอยู่ เราไม่ต้องไปคนณไงเลยว่าไอ้ม่ไปสอนมาเลยแม่ไะจับหนูไม่ต้องพูดขนาดจะเราขอให้เราทำคนนี้สกปรกเราทำคนนี้สกปรวเรากำลังปลาสดเราจะทำด้วยมือหรือปลาสดทานังจับที่อุ้ปหรือทานังติดใจหากดธรรมดาเราเห็นเรานี้หเราเข้าใจสติมันจะเข้าไปคุณอยู่เสมอภายในนี้ท่านผู้นิ้วยึพุทธเจ้าสถาณะมีสติเลาะนิ้วและทงสังขารชื่อว่าปัญญาเนี่ คำว่าปัญญาก็ไม่ได้หมายถึงทำงานทำเหตุที่ประฏิยุทรอบในความสัที่เียกวกัญงานห็นทีมีจิตใจของเว่ปัญญาเอาสมาธิได้จริงเพรัหล่อนหนึ่งเ่รานั้นย่อื่นออกจากหล่อนหึงเลื่อนปฏิปทาศาสร์วโสดผลก็เสมืวัไรกหนหนึ่งหลวงพ่อมีอย่นี้บลกงปตาได้เนอื่นเสมอคือเาพ่ยเขาจะตะโกนเขาไปเรื่องของเข้าที่อยน่องเราเขาโวยวที่ไปโวยวเขาโวยเขาม่ที่ไจะที่เขา แคนั้ครับโปเอะแล้วครับพยายามเอาแม่โผลนะเราเราจะเห็นคนโผขึ้นมาแม่วผล่มันเป็นพุกเราไม่ต้องโผถ้าเราศึกษาธรรมะที่ตรงนี้แหละนี่แหละจากน้ำจะโขึ้นมานี่ให้ในทนไทยเราต้องเาทุกเดอนไปดูใจเราทาการพนักันหน้าทุกหน้าตีปูต้องเขียนหนังสือหน้าตีกรรมกรต้องแบกถุง ถ้าเป็นการนต้องบินกันไหถ้าเป็นคุณซื้อคุณขายก็ต้องจับมัดไบมือให้มีกติรู้เท่าทันเง่นไขเรเป็นอะไไม่ใช่หลักรรมฐานจะเป็นนั่งบลับตื่นตากว่าวไว้ว่าฐานฐานเราแปลว่าธรรมฐานหมายถึงที่ท่านทำการธรนมานโดยจะนั้นทำมากําสอนของพระพุทธเจ้าที่ไปใช้กับการทางานผู้อยู่ เมื่อเราจะไปนั่งหลับหูหลับตาแล้วไม่ได้คิดอะไรทั้วก็เป็นทีละอย่างเดี๋ยวนี้ยังไม่นนมากก็ให้ตู้ใจเลยผ่านเราจะได้เวลาอาหารเย็นม า, ามเป็ค น, นี one more day หาดใหญ่หาดใหญ่เขาอุ่นตรงไปอาบมาเองรรรรครที่รั ไอ้ล o กเด็กแกไหนก็คือไอ้ลูกกกไนกอไอ้ลกกกคไนฮาไอ้ลูกเกกัมเลยฮาอ่าที่ฮาสิฮะไอ้ลูกเด็กแก่โตหน่อยหน่อยทีลกกกลไไอลลกกก ก็ได้แคทำเขามาเมาเสร็จมาปล่อยวที่เราทหมดนึกถึงเราทำแล้วทำบังเอินึกถึราอีกนึกนะนึกนเอาเรื่อนึกาแล้วทบังอิญนึกไปนึกมานึกไปนึกมาทำบังอิาบังเอิมาแล้วทำบังเอิมาแล้วทำบังเอิ อย่าไปไหนนะเพื่อนไปหาเธอคนนูนาเลยนื่อมบ้านหนุ่มมาดนหมาดดูม่ง่นงาดน่นงมา่น่่งด่งมาาานดนน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 หมดอีกแม่กันแล้วไอ้นี่นี่ที่ที่เขานี่นี่แกจิตวิ h m ì để đi tích n ư m ê n u t c h n à y g không? Nếu g ế u không nữa n h l n h ô n g l được, o h i đ ấ rồi, rồi n n h c n t h c l p u n n c i c n c c l u c c n c c c n ư c n c c n แก่ที่หาคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกูกบอกลูกมาเทนี่งานอะไรเนี่ยแค่เรื่องเงินกูเลี้ยงมาเลยไอ้นี่งานเอมีที่นี่มั้งเหมือนหมดหรถหมดหมดที่นี่ไปทุกที่ทักที่ตปหาเลือดมาแทนลไอ้มี่งานหาบ้านบนบ้านบ้านที่หาบ้านงูนี่ไอ้นี่ตัวนี้รูปแบังไงบ้างรอ้นี่ หมอกแาเตมหเส้นบต้นหนึ่งและนิ้วดมือ